ที่จะรับพรแล้วก็ร่วมของมอนุมอนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้บงเพ็ญในวันนี้นะก็ขอกล่าวเป็นสมโมชเักญาเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่คณะเจ้าภาคนะซึ่งประกอบด้วยคุณวิชาคุณสมัยพอรอนภัสหลรอจนครอบครัวเจริญผลเทริยะรวมทั้งชาวบ้านตากลินทอง รวมไปถึงญาติโยมสาวกุชนทั้งจากที่ไกลและก็ที่ใกล้ที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกถินท า, านในเช้าวันนี้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลกถินเฉพาะพวกเรานะที่อยู่ในเระแว่งนี้นะวันนี้ก็เป็นมาที่สามแล้วนะที่ได้มาพร้อมใจกันร่วมกฐินธ า, าน เริ่มต้นที่วัดภูเขาทองเมื่อวันศุดเมื่อวานนี้วระป่าสุปโตแล้วก็วันนี้ที่วัดป่ามหาวันหรือคุณหลวงที่นี่วัะป่ามหาวันก็ถือว่าเป็นน้องพุทธพ่อก็ได้นะของบรรดาเครือข่ายวัดที่หลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนได้ดูแลรักษาที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาหลัง วัดป่าสุกโตไม่กี่ปีแล้วเข้าใจว่าก่อนที่จะมีวัตถุทองหลวงพ่อบุญธรรมเมื่อท่านสร้างก่อตั้งวัดป่าสุกโตซึ่งตอนนั้นท่านใช้ชื่อวัดป่าเอราวัณต่อมาท่านก็ย้ายมาพานักที่นี่เพราะเห็นว่าบันมีการตัดไม้นะ จะตามด้วยําว่าถําลายป่าก็ได้นะแต่ว่าเป็นการตัดไม้อย่างถูกกฎหมายมีบริษัททําไม้มาโค่นต้นไม้บริเวณที่เป็นวัดป่าสุกโตอขอนไม้ซ า, ากไม้ลงขอนี่มากมายกายฟองตรงวัดป่าสุกโตนะท่านก็เสียใจท่านก็ย้ายมาอยู่ที่นี่คูหลงประมาณปีหนึ่งสบริเวณแถวนี้ก็ อยู่ในเขตสัมปทานทําไม้เหมือนจําแต่ว่าเดชบุญปูหลงนี้รอดพ้นจากการทําไม้มาได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะหลงหูหลงตาบริษัททาไม้หรือว่าเป็นเพราะว่าหมดเวลาสัมปทานหมดอายุสัมปทานปูหลงก็เลยหลุดรอดจากการทําไม้อันนี้ก็เลยอาจจะหรือเป็นเพราะว่าหลงหูหลงตานะ คนทำไม้ก็ได้ก็เลยได้ชื่อว่าผูหลงผู้หลงนี่ไม่ได้แปลว่มามาแล้วหลงทางนะที่จริงมาแล้วเนี่ยตาจะสว่างก็ได้นะเมื่อได้พบกับความสงบเพราะความสงบนั้นเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดปัญญาได้ในบรรดาสามวัดนะผู้หลงก็จะว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดถ้าเทียบง่ายๆของสิ่งปลูกสร้าง แต่ว่าในแง่ของธรรมชาติแล้วก็ถือว่ามีนาบริเวณกว้างขวางที่สุดนะประมาณ 3,000 กว่าไร่เราก็ถ้ารวมมนาบริเวณที่อยูในความดูแลของทางวัดร่วมกับชาวบ้านก็อาจจะถึงเกือบ 5,000 ไร่นะเพราะว่าครอบคลุมไปถึงวัดและภูเขาครอบคลุมไปถึงภูเขาที่อยู่รายรอบ ด, ด้วยหลายท่านที่มาที่นี่คงจะพบถึงความแตกต่างระหว่าง3วัดนี้ วัดปุกะทองก็เป็นวัดบ้านวัดป่าสุโกโตก็ตื่นบ้านตื่นวัดนะตึ่นวัดบ้านตุ่นวัดป่าเพราะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าถนนใกล้เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ยังเป็นวัดป่า่วนที่นี่นี่ก็จะเป็นวัดป่าแทบจะเกือบจะรเปอร์เลยนะเพราะว่าอยู่ไกลอยู่บ้านมากสองกิโลได้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มี แต่ว่าทั้งสามวัดนะก็ถือว่ามีจุดร่วมมีหัวใจเดียวกันโดยมีหลงพ่อคำเขียนตึงประธานสงฆ์แล้วก็มุ่งหมายเพื่อที่จะนำพาผู้คนให้มีสติเปิดปัญญาสามารถพาจิตพาชีวิตออกจากความทุกข์ได้ วันนี้ญาติโยมสาวกิชนก็มาร่วมกันทอดกระถิ่นท่านทัง้งหลายคงทราบอยู่แล้วว่าการทอดกรถินนั้นเนี่ยเป็นการทำบุญนะที่ไม่สามารถจะทำได้ตลอดทั้งปีนะจะทำได้ก็ช่วง3าสิบวันภายใน3าสวันหลังจากการออกพรรษ า, าจะเรียกว่าการทอดกรถินนั่นเป็นผลสูงเนื่อง จากการออกพรรษาก็ได้ถ้าไม่มีการเข้าพรรษาไม่มีการออกพรรษาก็คงไม่มีการทอดกรถินเพราะว่าการทอดกรถินเนี่ยมีขึ้นเพื่ออนุมโมทนาพระพุทเจ้าที่มาจําพรรษาร่วมกันตลอดสามเดือนอย่างสงบสุขราบรื่นถ้าวันไหนเนี่ยจำพรรษา แล้วไม่มีความสงบมีความระคองระแหงบาดหมาง ก, กันก็อาจจะตัดข้อกระถิ่ไม่ได้เลยเพราะไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าผู้ใดสมควรรับผ้ากระถิ่นการรับผ้าระถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉั น, นมีเสียงค้านเพียงเสียงเดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยปฏถิ่นเนี่ย การเข้าปฏิญญาเกิเขึ้นได้ต้องมีความสามารคียนในระดับหนึ่งในหมู่พระแต่ว่าไปแล้วการเข้าบรรสาเนี่ยหรือการทําบุญในเทศกาลเข้าบรรสาเนี่ยจะไม่สําเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะมีการเข้าปถิญนาะเพราะว่าหลังจากเข้าปฏิแล้วนะพระถึงจะค่อเริ่มเดินทางออกจาริกไปตามที่ต่างๆที่ตั้งใจจะสืบก็สืบธาลาภหลังจากเข้าปฏิญญเรียบร้อยแล้ว การท่าลัทิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอํานวยอวามสะดวให้กับผู้ที่จํำราษาครบถ้วนใจมากอย่างสงบอย่างสามัคคีมีความร่วมรื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญที่เชิดชูสามัคคีธรรมของพระแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พระเนี่ยมีความร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเป็นสมัยก่อนผ้าที่ถวาย ในเช้าววันนี้ก็จะเป็นผ้าผืนเดียวยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นตีวอนถวายแล้วเนี่ยพระในวัดก็ท้องมาช่วยกันมาช่วยกันตัดมาช่วยกันเย็บแล้วก็ย้อมให้เป็นผ้าตีวอนบ้างเป็นผ้าสะบงบ้างให้เสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ต้องร่วมแรงร่วมใจกันส่วนใหญ่ก็ทําได้แค่เป็นผ้าสบงเนีนะ่ยไม่สามารถจะเป็นผ้าตีวอได้เพราะว่าผืนใหญ่กว่ากันมากนะ อันนี้ก็เพ่เป็นการส่งเสริมสัมผูนพระสงฆ์ในส่วนญาติโยมนะก็ได้เกิดสามัคคีธรรมเพราะว่าได้ร่วมใจและได้ร่วมใจกันมาถวายผ้ากรถิน่นมาจากสายต่างๆแต่ละสายก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันต่างสายต่างกลุ่มก็มาคนละทิศคนละทางบ้างก็นำ พามาถวายบ้างก็นำอาหารมาถวายด้วยแล้วก็มาเรี้ยงรับรองญาติโยมสาวทุกคนด้วยมาเจอกันโดยที่ไม่ได้พบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีบุญเป็นกุศลเป็นตัวเชื่อมก็ทำให้เกิดความสามัคคีความร่วงแรมร่วงใจรังกาวก็ทำให้งานสำเร็จได้ อย่างวันนี้เนี่ยานายก็ใกล้จะสําเร็จแล้วนะเพราะพะว่าหลายท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนล ม, ม, ม, มือร่วมถวายเงินบ้างถวายอาหารบ้างหรือว่าสละแรงกายมาทําอาหารหรือว่ามาเตรียมสถานที่บ้า ง, างสารพัด ก, ก็ทําให้งานสําเร็จความร่วมแรงร่วใจเหล่านี้แหละนะนํามาสร่งความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการรับความสุขที่คนรู้จักส่วนใหญ่เป็นความสุขที่เกิดจากการรับการเสดการมีการได้แต่ว่าในบุญกริเนในงานกระถิเนหลายคนจะพบว่าความสุขมันเกิดจากการที่ได้ให้ถวายเงินบ้างมาตั้งโรงทานบ้างมาร่วมกันพัฒนาถนนหนทางเพื่อต้อนรับคณะเจ้าภาพบ้าง ความสุขจากการให้เป็นความสุขที่สงบเย็นกว่าความสุขที่เกิดจากการรักความสุขที่เกิดจากการรับเนี่ยมักจะเกื่ยวเรื่อความอยากต้องมีความอยากก่อนและพอได้เสดได้รับกินจะมีความสุขไอตอนที่เกิดความอยากแล้วยังไม่ได้เสดนะก็มีความทุกข์ได้รับได้ได้เสดแล้วมีความสุขก็อาจจะสุขเครื่วคราวไม่เหมือนกับความสุขจากการให้นะความสุขจากการให้ ยังไม่ทันจะให้เลยนะเพียงแค่คิดเนี่ยก็มีความสุขแล้วแล้วเมื่อให้ความสุขก็เพิ่มขวนีเพราะว่าเห็นผู้รับยิ้นแย้ม yeah. แม้จะเหนื่อยกายนะอย่างเช่นคนที่ทำรงทานหรือว่าคนที่เตรียมอกองกระถินมาจากกรุงเทพลนะเดินทางมาก็เหนื่อยแต่เมื่อได้ถวายหรือเมื่อได้บริการพระก็ดีแม่ชีก็ดีโยก็ ด, กดีก็มีความสุข เป็นความสุขใจแม้กายจะเหนื่อยส่วนการเสพเนี่ยความสุขจากการเสพเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่มาพลเพลกายแต่ว่าบางทีใจก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือสุดชั่วครางเราคนทุกวันนี้เนี่ยไปแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวเพราะฉะนั้นก็จึงอยากมีอยากได้เยอะๆอยากาครอบครองมากๆแต่ที่จริงแล้วความสุขเนี่ยมาอ่ที่ใจ ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีการครอบครองสิ่งตา่ตางๆซึ่งเป็นวัตถุภายนอกสุขแท้อยู่ที่ใจและความสุขที่ใจนั้นเนี่ยนะสามารถเกิดขึ้นได้แม้กายจะเหนื่อยนะแม้ข้าวของที่ตนมีสะสมมาจากสละไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเสุขใจอันนี้เราสุขเพราะทานความสุขใจยังเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ ทำความดีแบบอื่นด้วยเป็นการเสียสละความเพื้อเฟื้อคนที่ทำโรงทานนะก็มีความสุขใจเพราะว่าได้ต้อนรับได้บริการญาติโยมที่มาจากแดนไกลผู้ที่ยังคิ้วความสุขที่ใจยังเกิดขึ้นได้จากการที่เราทำใจให้สงบ เมื่ อ, อยามที่ใจเราสงบปลอดจากความอยากปลอดจากความว่าหุ่นฟุง้งซ่านหรือเมื่อไดก็ตาที่ใจเราว่างเราก็พบกับความสงบได้หลายคนนม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดกมากแต่ไม่มีความสุขใจเพราะว่าใจนี้วุน่นใจไม่ว่างเลใจนี่วุน่นเมื่อใจวุ่นแล้วนะเช่นคิดกังวลถึงงานการกินอาหารก็ไม่อร่อย ฟางเพลงก็ไม่เพราะไปเที่ยวถึงอเมริกาถึงยุโรปก็ไม่สามารถจะซึทรั์รับเอาวามสุมนทาได้เข้าใจเนี่ยหมดหมองใจมีความฟุ้งซ่าใจมีความกังวลถึงว่าเราจะไปกินอาหารห้องเตะราคาเป็นหมื่นแต่ใจเราเศร้าหมองใจเรากังวลใจเรามีความแค้นเคืองก็ไม่มีความสุขทั้งใจเรียกว่าความสุขนี่มันอยู่ที่ใจแท้้เลย และการที่ใจเราจะมีความสุขได้เนี่ยส่วนมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บดพร่องใจเราก็คอยพร่องไปด้วยใจเราก็คอย เ, ออเป็นลบไปด้วยมันเหมือนกับว่าเราเปิดให้สิ่งที่เป็นขยาธิปะติูลเข้ามาในบ้านของเราปกติเวลา นะเราอยู่บ้านเราก็อยากจะให้มีคนดีๆเข้ามาในบ้านไม่อยากให้มีคนร้ายคนที่โกรธคนที่ชอบบน่นบ่าชอบบ่นด่าว่ากล่าวเข้ามาในบ้านคนที่แต่งตัวสกปรกหรือว่าเท้าเปื้อนฝุน่นเปื้อนครนเข้ามาในบ้านเราไม่อยากเขาเข้ามาในบ้านเลยแบบนั้นแต่ทำไมเรายอมให้สิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นขยัะปฏิทูลสิ่งที่เป็นลบเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเราคนที่มองอะไรในแง่ลบมองเห็นแต่ข้อตําหนิมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเนี่ยนะก็มือคนที่ปล่อยให้ขยัะปฏิกูลนะเข้ามากองมาสะสมในใจของเราแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสุขที่มองในแง่ลบเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุดใจ ที่จริงบางครั้งในการเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นแล้วโดยที่ยังไม่ต้องเสพไม่ต้องอไม่ต้องมีอะไรมากมายพระอาจารย์พรห ม, มาวังโสท่านเป็นพระชาวอังกฤษมาบวชที่วัดหนองปากคงของอุวพชาแล้วต่อมาท่านก็ไปไปอยู่ที่เมืองออสเตรเลียพระที่นั่นเนี่ย จะสร้างวัดก็ต้องสร้างต้องลงแรงกันเองเพราะว่าค่าจ้างแพงจะพึ่งพาญาติโยมก็ไม่ถนัดพระาจารย์พรมวองศกเล่าว่าครั้งธนารมมหมายให้ให้ก่อกำแพงท่านก็ตั้งใจก่ออย่างดีให้สวยให้งามเป็นระเบียบเวลาจะเวลาจะก่ออีกสักก้อน เวลาจะวางอีกซักก้อนนี้ก็ต้องดูแล้วดูอีกให้มันได้มุมกันได้ฉากกันสร้างเกือบเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านไปสังเกตว่ามีสองก้อนที่มันไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยได้ฉากได้มุมท่านก็รู้สึกขัดใจอยากจะรื้อใหม่นะแต่ว่าเจ้าวานไม่อยอมให้รื้อเพราะว่าทำไปเยอะแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่ที่จริงท่านก็ไม่ได้เลยตามเลยนะเพราะว่าเวลาท่านเดินผ่าน กำแพงทั้นทีไรนี่ท่านก็จะเห็นในอีสองก้อนนี่เนี่ที่มันไม่สวยแล้วท่านก็ไม่สบายใจเวลาอาคันตุ ก, กะมาที่วัดท่านก็พาคันตุ ก, กะเดินผ่านกำแพงนี้ไปเร็วๆไม่อยากให้เขาสังเกตหินสองก้อนนั้นแต่แล้วมีวันเนืองคันตุ ก, กะมาวัดแล้วก็เดินผ่านกำแพงนั้นเดินผ่านเสร็จเขาก็พูดขึ้นมาว่ากำแพงนี้สวยอาจารย์พลก็ ไม่เชื่อหูนะสงสัยว่ามันสวยได้ยังไงก็เลยถามว่าคุณไม่เห็นเหลอไออิดสองก้อนเนี่ยชี้ให้ดูนะอิดสองก้อนที่มันไม่สวยนะอพันตุก า, าก็บอกว่าเห็นครับอิดสองก้อนเนี่ยแต่ว่าอีกที่เหลือมันสวยครับไออีดเก้าร้อกว่าก้อนนี่มันสวยสมมติกอีกมันมีพันก้อนนะสองก้อนไม่สวยแต่อีดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแปดเก้าร้อเกสิบแปดก้อนนี่มันสวยแต่นมนี่ ถูกคิดขึ้นมาเลยนะเออกำแพงเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งมองว่าสวยทำไมคนนึงมองว่าไม่สวยเห็นแล้วขัดใจอย่างที่มุมมองนะียอย่างอาจารย์พรหมนี่ก็เห็นแต่อีกสองก้อนที่ไม่สวยท่านก็เลยขัดใจเวลาเดินผ่านกำแพงนี้แต่ว่าคนธุกาเนี่ยเห็นอีกสองก้อนไม่สวยแต่ว่าไต้ก้แล้วก็สิบก้อน เ, นเห็นน่าสวยแล้วก็เลยชื่นชมกำแพงอันนี้เป็นท่านก็เลยได้แง่คิดนะว่าโอ้คนเรานี่ถ้ามันมองแต่ลบนะ ใจก็เป็นลบด้วยแต่ถ้ามองให้เป็นบวกนะใจก็เป็นบวกหลายครั้งคนเราเนี่ยแม้ว่าใจอยู่ข้ามกลางสิ่งที่สะดวกสบายแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆนานานเยอะแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะเห็นแต่สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องสิ่งที่เป็นตําหนิขณะที่บางคนเนี่ยเขากลับมีความสุขแม้ว่า ไอ้ข้อตำหนิมันจะมีเยอะแต่ว่าเขาเห็นสิ่งที่น่าชื่นชมด้วยทุกวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงหลายคนนะที่มีความทุกข์ทั้งทั้งที่เขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเขามีชีวิตที่สะดวกสบายเขามี iPhone,iPad,iPad ใช้สุขภาพก็ดีการเรียนก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรแต่เขามีความทุกข์ เขาเห็นแต่สิวบนใบหน้านไม่กินเม็ดเขาก็เลยสึกแย่กับตัวเองในขณะที่บางคนพิการแต่เขากลับมีความสุขได้เพราะอะไรนะทั้งที่คนสองคนนี้เนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันดาวฟ้ากับเหวแต่ว่าไอ้คนที่มีความพิการเนี่ยกลับมีความสุขมันมีหญิงสาวชาวไต้หวันคนหนึ่งนะ อายุ30ปีแล้วตอนนี้ชื่อวัอวงเหมยเหรียญวังเหมยเหรียญเกิดมาพิการสมองพิการพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดสื่อสารด้วยการเขียนเดินก็ไม่ได้นะไม่สะดวกต้องใช้แม่ค้าหรือไม่ก็ต้องใช้รถหลายคนแม่พ่อแม่หลายคนถ้าหากรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะมาพิการแบบ น, นี้ก็อาจจะหิุดิการตั้งครรภ์หรือทําแท้งไม่ให้เกิดมา แต่ว่าวางเมื่อยเลี้ยงก็โชคดีนะที่เขาได้เกิดมาแล้วเขาก็ไม่ทุกข์ทรมานเลยเขามีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จด้วยเขาสามารถที่เรียนจบปริญญาเอกมาเลเยแห่งแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิส UCLA ปริญญาเอกนะอาตมานเนี่ยร่างกายดีพร้อมสมบูรณ์นี่ยังไม่มีปัญญาจบปริญญาเอก UCLA เลย แล้วก็หลายคนในที่นี้ก็คงจะจไม่มีความสามารถที่จะเรียนจบได้ทั้งที่มีความได้เกียวเขาเยอะแต่ว่าวางมือเรียนก็เรียนจบก็เลยเป็นที่ได้รับและให้แรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจกับคนอื่นมากมายได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆมีความนึงเข้าไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่งพูดด้วยการเขียนใส่กระดานนะ พอพูดบรรยายจบก็มีนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณมองตัวเองอย่างไรคุณรู้สึกน้อยเมื่อต่ำใจตัวเองไหมห้องประชุมนี่ก็เงียบเกิดเลยนะเพราะว่าคําถามแบบนี้มันตรงเกินไปเพราะไม่นิยมถามคนพิการแต่ว่าวางวังเมล์เหรียญนี้ยิ้มแล้วก็หันไปเขียนกระดานวนะ่าฉันรู้สึกฉันมองตัวฉันเองอย่างไรเขียนด้วยข้อข้ อ, ขอหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะสอง ฉันมีเรือขาที่สวยงามสามพ่อแม่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสห้าฉันมีนาที่น่ารักมากฉันมีฉันเขียนหนังสือและวาดรูปได้จากที่คนประทับใจสูงข้อเจ็ซึ่งเขียนเป็นการสรุปฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ไม่มีเธอขาดหลายอย่างแต่เธอไม่สนใจเพราะเธอหันมาชื่นชมสิ่งที่เธอมี อันนี้ตายจากคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเองเพราะว่ามีซื้ไม่กินไม่เปิดใบหน้าก็เห็นแต่ซื้นั่นแหละจนกระทั่งน้อยเนื้อต่ำใจนอนก็ไม่หลับคุยกับใครก็ไม่มีความภาคภูมิใจเพราะเห็นแต่ไอสิ่งที่เป็นลบนั้นความสุขทางใจเนี่ยนะมันอยู่ที่มุมมองด้วยนะว่าเราจะเลือกมองอะไรเลือกมองสิ่งที่ดีหรือมองสิ่งที่ไม่ดีเลือกมองสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ไม่มี ถ้ามองไม่เป็นนะมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่เสียไม่เห็นสิ่งที่ได้เพราะฉะนั้นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเรายังรู้สึกว่าวเกงนเสียเคนมีโยนคนหนึ่งมาที่นี่นะเธอบอกว่าเธอเป็นอากสาสมัครรับโทรศัพท์ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่โทรมาเนี่ยอยากจะภาพตัวตายและที่ภาพตัวตายก็หลายเรื่องเพื้อผิดล้มละลายอกหัก บ, บางคนก็ป่วยหนัก เจอเรื่องร้ายหนักๆทั้งนั้นแต่มีคนนึ่งนะคุยไปคุยมาเธอก็รู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจทีแรกก็เนื้อเขามีความทุกข์หนักถามไปทามาเนี่ยเขาบอกที่าเขาทุกข์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยได้กําไรหมื่นล้านแต่ปีนี้ได้แค่ห้าพันล้านเขาเครียดมากเลย ห้าพันล้านเนี่ยเครียดนะอยากจะอยากจะเติมทุนไม่ได้นอนไม่นอนเราไม่ได้คิดว่าเขาได้ห้าพันล้านเขาคิดว่าเขาเสียห้าพันล้านเหมือนกับคุณป้าคนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเพื่อจะมาเป็นนักเล่นพุ้นนะวันนึงก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดพุ้นคุยไปคุณมาเธอก็บอกว่าเธอขายพุ้นไปเมื่อสามวันก่อนได้กําไรสิบล้านบาท เพือนสมากบอกว่าขอแจควานดีด้วยครับคุณป้าเธอบอกว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้ว20ล้านเธอได้10ล้านบาทนะไม่มีความสุข10ล้านบาทนี่มันเราตีกันมาที่หนะึ่งะกี่ใบนะสามใบใช่ไนะไม่มีความสุขถนะ้าได้10ล้านวันรุ่งขึ้นเธอก็ไม่มาที่ตลาดพุ้นเพื่อนสมาชิเลยไปถามมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเพื่อนที่เป็นแท้ๆว่าที่เธอเป็นลูกค้าอยู่ะ ได้คำว่าเธอป่วยเข้าโรงพยาบาลพอดาวออกได้ไหว่าเธอเข้าโรงพยาบาลท่องอะไรพ อ, อได้กําไรแค่สิบล้านสําหรับเธอเธอไม่เชื่อเธอได้กำไรสิบล้านเธอคิดว่าเธอเสียสิบล้านเห็นมุมมองไหมมุมมองเนี่ยที่มองไม่เป็นเนี่ยถ้ามองไม่เป็นนะคุณก็คิดแต่คุณแม่คุณได้มาคุณก็นิดว่าคุณเสียได้สิบล้านแต่ไม่ได้มองว่าได้สิบล้านแต่มองว่าเสียสิบล้าน ฉันถึงบอกว่าสุขหรทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้คิดว่าได้อะไรแม้จะได้เอยอะแยะไปหมดก็ยังมองว่าเสียได้โบนัสล้านหนึ่งก็จะมีความสุขแต่พอร่วเพื่อนได้สองล้านนะแทวเลยนะหน้าบึ้งเลยเพราะเธอไม่ที้ได้ไม่เธอไม่ได้เคลื่อนได้ไม่จะเคลือนได้ล้านเคลื่อน เ, เสียหนึ่งล้านหรือขาดไปหนึ่งล้านเนี่ยเห็นไหมมุมมองเนี่ยสาคัญมาก แล้วเ น, นี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการความสุขที่ใจนะไอ้การที่เรารู้จักมองนะรู้จักมองให้เป็นเนี่ยมันก็ช่วยทําเรามีความสุขได้ไม่ยากแม้เราจะทุกข์แม้เราจะป่วยเราก็ยังเห็นเราก็ยังมีความสุขได้เหมือนกับที่หลายคนเขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งปอดบ้องเป็นมะเร็งที่ลำไส้บ้าง แต่แล้วเขาก็มีความสุขเพราะเขายังดีใจว่าเขาก็ยังมีตามองเห็นก็ยังมีและอวัยวะมีมือครบมีเท้าเดินเหินไปไหนมาไหนได้คือไม่พิการแทนที่จะสนใจจดจ่ออยู่กับปอดหรือว่าลำไส้ที่เป็นะเร็งเธอกลับมองว่าโออเธอยังมีอะไร ย, ยังมีอวัยวะต่างๆอีกมากมายที่ยังดีอยู่ ยังไปเที่ยวได้นะยังไปสนุนสนานได้ไปกินอะไรก็อร่อยเพราะว่าเห็นแต่ของดีดีเห็นแต่ว่ามันเอออร่อยก็ไปหมดเลยแต่ถ้าคนมองไม่เป็นนะเห็นอะไรกินอะไรก็มันไ่าอร่อยตรงนี้ก็มีข้อตาหนิตรงนั้นก็ใส่พริกน้อยไปตรงนี้ก็เค็มไปนะเลยไนมะอร่อยแต่ที่บางคนนี่ว่ากินอะไรอร่อยไปหมดเลยเพราะเห็นเอย ตรงนี้ก็เขาก็ทําดีตรงนั้นเขาก็ทําดีนะคือมองเห็นด้านดีมองเห็นสิ่งดีเขาไม่หมอดมัวดจดจอ่อแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เพราะว่ามองเห็นแต่สิ่งดีๆนะไอ้สิ่งไม่ดีก็มองเห็นแต่ว่าไม่สนใจมาดเท่ากับการมองเห็นสิ่งดีๆนั้นชี้เขาก็เลยเต็มไปด้วยความชื่นชมคนเราเนี่ยถ้ารู้จักชื่นชมสิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่นอกตัวหรือสิ่งที่มีในตัวจะหาความสุขได้ไม่ยากจะเข้าใจคำว่ารู้จักพอ นะเพราะว่าเรอาอก็มีสิ่งดีๆในตัวสิ่งที่เราเห็นรอบตัวก็ตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็ดีความสุขเกิดขึ้นได้ไม่ยากเนะพราะรู้จับมองแต่ทำอย่างนี้ได้นี่นะจะพบความสุขทางใจได้นะมันต้องรู้จับกลับมาดูใจของตัวนะเพราะว่าคนที่ชอบมองลบมองเห็นสิ่งที่เสียมองเห็นความบกพร่องเนะี่ยส่วนใหญ่เขาเขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขามีนิสัยแบบนั้น บางไม่รู้ตัวเลแล้วก็ทําเป็นอาจินทําเป็นนิสัยมีแม่คนนึ่งเนี่ยเวลาเจอลูกนะลูกกลับมาจอกโรงเรียนลูกอายสี่ขวกลูกเธอก็เป็นออทิสติกไม่น้อยเวลาลูกกลับมาก็จะถามว่าลูกวันนี้ไปมีเรื่องกับใครมาไม้ยวันนี้ลูกไปสร้างปัญหาที่ไหนมาหรือเปล่าลูกไปทะเลาะกใครมาไหมถามนี้ทุกวันเลย ถามด้วยคเป็นห่วงนะแต่ว่าถามทุกวันจนมาทั่งวันนึงครูให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนเรียนความว่าสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจเด็กคนนี้เขียนไม่ออกเลยครูแปกใจมากก็เลยเอาเอาผลงานของเด็กคนนี้เนี่ยมาให้แม่บอกว่าครูปเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขียนไม่ออกเลยว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองอย่างไรพอแม่เห็นกระดาษที่ว่างเปล่า ของลูกแม่ก็ร้องไห้เพราะรู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแลงแม่ก็เอาแต่ถามลูกว่าลูกมีปัญหาอะไรลูกไปทะเลาะกับใครมาไหมลูกตปมีเรื่องมีลากับใครที่ไหนหรือว่าถามไปเรื่อยๆจนคั้งเด็กเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเอไม่มีดีสักอย่างถามว่าแม่ตั้งใจหรือแม่ไม่ตั้งใจหรอกแต่แม่ไม่รู้ตัวแต่พอเจอเจอเรียนความของลูกแบบนี้แม่รู้ตัวแล้วเป็นเพ่ออะไรอ แ, แม่ก็เริ่มนะตอนนี้ มาปรึกษาตมาตมาบอกแนะนําลูกแนะนําให้แนะนำเขก็ไปว่าเวลาลูกกลับมาบ้านก็ถามว่ามันนี้ลูกทําความดีอะไรมาบ้างนะลูกทําสิ่งดีๆอะไรไปบ้างอบอกแน่หน่อยนะแม่เนี่ยเริ่มแม่นี่มองลูกในแง่ลบโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวแล้วเนี่ยแม่ก็เริ่มเปลี่ยนนะแต่ที่รู้ตัวได้เพราะอะไรเพราะมีคนมาเตือนมาบอกแต่ว่าบางครั้งคนเราไม่มีใครมาเตือนมาบอกเราต้องมี รู้จับเตือนตัวเองก็ต้องมีสตินะหันมาไต่ตรองหันมาดูตัวเองสมว่าเรามีามิสัยแบบนี้หรือเปล่าเราชอบมองอะไรในะนี้ลบไหมเราชอบมองเห็นแต่สิ่บกพร่องสิ่งที่ขาดเรามองเห็นแต่ว่าเราเสียไม่มองว่าเราได้นะถ้าเรามีสติหันมาตรวจสอบนี้เราก็จะรู้ตัวแล้วเราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองของเราเราก็จะเริ่มเตือนตัวเองนะเริ่มทับท้วงตัวเอง เริ่มทับท้วมความคิดของตัวเองอันนี้หลวงพ่ อ, อเกียนห น, นังสืออยู่เสมอนะสติเนี่ยมันก็คือสิ่งทับ ท, ทุ้มคอยทับท้วงความคิดของเราคอยทับทุ้มความรู้สึกของเราเลยว่าคนที่มองในแง่ลบเนี่ยต้องทับท้วงบ่อยๆทับท้วงไม่ใช่รับทุงมใครทับทุ้ตัวเองมันเตือนตัวเองบ่อยๆนะก็ทําให้เราเนี่ยค่อยๆกลับคืนสู่ความสมดุลแล้วก็หรือไม่ก็มองในป็นบวกได้และสิ่งนี้ช่วยทําให้เวลาเรามองอะไรเนี่ย แทนที่เราจะมองไปในเชิงลบหรือว่ามองในเชิงวิพากษ์วิจาริเรากลับมามองเพื่อเตือนต น, นพวกเราคงรู้จักนะั้นนักสร้างหนังคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักวาดภาพาโปสเตอร์ชื่อเตียโปสเตอร์นะพวกเราถ้ายุสี่สิห้าสิขึ้นไปคงรู้จักเตียโปสเตอร์เตียโปสเตอร์นี่เขเป็นนักสร้างหนังที่มีชื่อมาตั้งแต่ยุคแปดสิบแล้วเขาเล่าว่าสมัยที่เขายัหนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อนสามคน ที่เป็นพวกที่นักวาดด้วยกันนักวาดโปสเตอร์นะคนหนึ่งชื่อเกษียนวันหนึ่งก็ไปกินร้านอาหารตอน เ, นเย็นๆนะในร้านนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งเนี่ยเมาเหล้ากินเหล้าจนเมาเกษียก็พูดขึ้นมาด้วยความรู้สึกดูถูกว่าเนี่ยไอ้นี่มันโง่ชิดหายเลยนะกินเหล้าแต่ให้เรลากินมันสองสามเดือนต่อมาเ้าก็ไปไปงาน ไปงานเลี้ยงของเพื่อนทุกโต้ะเนี่ยมีเบียวางอยู่แล้วเกษียณก็อยากจะรว่าเบียนี่มันดีตรงไหนนะคนมากินติดใจกันก็ลองชิมเบียดูก็สวนเหมือนแม่อร่อยมันฝืนๆนะผ่านไปอยู่สักสองสาเดือนขณะที่สามคนกำลังวาดลูกนะพ่อชี้เขาวาดรูปจูๆจูเนี่ยกเกษียณเนี่ยก็ไปเรียกให้เด็ก รับชใช้ไปซื้อเบียมาเรียกโพสเตอร์ก็เลยถามว่าเอา้าเคยว่าเขาไม่ใช่หรือว่าเคยว่าคนกินเหล้าไม่ใช่หรอแต่ทําไมคาวามนี้กินเองล่ ะ, ะเกษียก็บอกว่าแกไม่รู้อะไรเหล้าเนี่ยมันเป็นของคนสตรุนส่วนเบียร์เนี่ยมีไว้ผ่อนคลายเป็นของคนชั้นสูงนะเหล้าเป็นของคนสตรุนนะเบียร์นี่มันช่วยผ่อนคลายนะเป็นของคนชั้นสูง แล้วแม่นาบอกว่าจะเสียงก็เตะเดียวกินรักกินเดียวเวลาสีห้าขวดกินอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งวันหนึ่งก็จู่ๆก็ไปเรียกเด็กมาให้ไปซื้อเหล้าแม่โงมาเป๊กหนึ่งเที่ยงอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็เที่ยงเลยถามว่อาอ้าวไหนว่าเราเป็นของคนศักดิสิทธิ์แล้วทําไมวันนี้กินวันนี้ไปทำไมเดี๋ยวนี้ไปวันนี้ถึงไปกินเหล้ามาถึงไปไปเรียกกินเหล้า แตเสนต์บอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยพวกเรานี่นะรายได้วันนึงเนี่ยมันเท่าไหร่กันถ้ากินเดียววันละสีห้าขวดเนี่ยมันจะไหวเลยกินรอบเป๊กเดียวเนี่ยอยู่เลยนะกินแลกเป๊กเดียวนะเพราะาตอนหลังเนี่ยลอกเป็นขวดเลยสุดท้ายก็ติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้าตอนต้นกับตอนจนม่นคือเรื่องเลยนะตอนต้นเนี่ยบูถูกคนที่กินเหล้าว่าโง่ชิบหายเลย กินเหล้าให้เหล้ามันกินนะแต่ตอนหลังตายเพราะเหล้าเพราะอะไรนะถึงเกิดในการแบบนี้มันมีภาษิตว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาะไปว่าคนเมาเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้แหละแจริงไม่ใช่หรอกนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปว่าคนเมาแต่เป็นเพราะว่าประมาทคือแทนเมื่อเห็นคนเมาเนี่ยแทนที่จะจะกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเหล้านี่มันต้องระวังนะขนาะคนเนี้ยเขาเองกินจนเมาเลยนี่ยเราต้องระวังนะ ถ้าจัอมองเป็นนั่นมันก็จะมองมาเพื่อเคืองตนแต่ถ้ามองไม่เป็นนะจะมองด้วยความดูถูกว่าคนกินเหล้านี่มันโง่แล้วก็ทําให้ประมาทว่าเนี่ยเหล้านี่มันเล่นงานได้แต่คนโง่แต่ว่าคนอย่างเราเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้หรอกการคิดแบบนี้คือประมาทคิดแบบนี้คือประมาทเนี่ยเราทําอะไรเราไม่ได้หรอกคนฉลาดนี่ก็จะมองว่าโอ้เราต้องระวังนะถ้าเราไม่ระวังอาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะคือเอาคนที่เมาเหล้าเนี่ยมาเป็นเครื่องเสือมใจว่า <Leban ese> เราอย่าประมาทหลายคนเนี่ยไปดานักการเมืองว่ากงคชาตกินบ้านกินเมืองกินแมก้กระทั่งกิน ก, กินปูนตอนเป็นนักศึกษานะก็ว่านักการเมืองแต่พอเป็นนักการเมืองเซนหรือเป็นข้าราชการนี่ก็กินเหมือนกันเพราะนี่เรียกว่าแต่เขาเป็นอีนอเป็นเองเราเจอคนแบบนี้บ่อยเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จับเตือนตนไม่รู้จับมองตน ถ้ามองตอนเนี่ยจะตั้งในความไม่ประมาทแล้วเมื่อใครก็ตามที่ในความไม่ประม า, เม า, ามทนามมมาเนี่ยกิเลสหรือความชั่วก็เล่นงานได้ยากแต่ถ้าไปดูถูกเขาแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้ไม่รู้จักระมัดระวังก็เลยทําให้ชีวิตตกต่ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราต้องการความสุขและความเจริญในชีวิตเนี่ยการหมั่นมองตอนอยู่เสมอ มันทับท้วงตัวเองหมันทับท้วงความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยสําคัญมากบางครั้งเราเผลอดูถูกคนอื่นหรือว่าเราเสอมองคนอื่นในแง่ลบแล้วเรามามีสติรู้ทันใจของเราเราก็กลับมาตั้งหลักใหม่ไม่ประมาทเวลาเราโกรธใครเราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีสติรู้ทันอารมณ์เราก็สามารถจะ ปล่อยความขวดออกไปจับใจได้ใจเราก็จะมีแต่ความอารมณ์ที่เป็นกุศลเวลาเรามองอะไรเราก็มองในแง่ที่เป็นบวกในแง่ที่น่าชื่นชมใจเราก็เป็นกุศลได้ง่ายและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เรามีความสุขในชีวิตได้ในยากถึงแม้ว่าเราจะมีไม่มากเมื่คนอื่นแต่เราก็รู้จักพอ ถึงแม้เราจะเจ็บเราจะปว่วยเราก็ยังขอบคุณเรายังรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรายังสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนไดสาาน้สามารถที่จะมาทําบุญภาดกระถินสามารถที่จะไปทําความดีได้พูดง่ายคือว่าเราเจออะไรใจเราก็ไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเรารู้จักมองโดยเพราะการหันมามองตนหันมารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอันนี้คือการมองตนแต่ถ้ามองภายนอก เราก็มองเห็นด้านดีมองเห็นด้านที่เป็นบุญมองในก็มองเป็นมองนอกก็มองถูกมองอย่างฉลาดชีวิตก็จะไม่มีความทุกข์มากรากลายเจออะไรใจก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เหมือนหมาอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับพวกเรา เ, เพื่อที่เราเจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจ มาทำบุญแล้วนะได้พวกความสุขใจแล้วก็ขอให้ได้นำธรรมะกลับไปเรานําเอาผ้ามาถวายนําเอาอาหารมาเรีนต้อนรักแล้วเมื่อเรากลับไปเราได้ธรรมะไปดูแลรักษาจิตใจอันนี้ก็จะถือว่าเราได้รับประโยชน์แห่งการมาทําบุญทีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่า หลวงพ่อคําเขียนยังมีชีวิต อ, อยู่นะก็ท่านอาจจะได้มาอยู่กับเราในที่นี้นะเพราะว่าสองราษาสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาจำภาษาร์ที่นี่นะคือห้าห้าห้าหกท่านเคยพูดว่างานสุดท้ายของท่านเนี่ยแล้ก็มีแค่2 อ, อย่างคืองานสอนกรรมฐ า, านกับงานรักษาป่าแล้วก็สองภาษาสุดท้ายคือห้าหท่านก็มาจำภาษาร์ที่นี่ แต่ว่าก็เรียวยางทั้งก็น้อยนะเพราะว่าความชลาและโลครคภัยไข้เจ็บก็ทําให้ไม่สามารถทําที่มุ่งหวังได้นะแต่นี่คือเป็นเจตนารมณ์ที่ลูกศิษยลูกหาก็จะสานต่อและงานส่วนพราะแรงานส่วนที่สําคัญของวัดป่ามหาวันคือการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้คนได้พบธรรมะให้เป็นบรรยากาศที่เกือ้อกูลต่อการศึกษาทําปฏิบัติธรรมเงินปัจจัยที่ถวายในเป็นกองทุนในก ่าป่านี้ก็นะ่ก็จะเป็นไปเพื่อการรักษาป่าด้วยนอกจากการสาพัพพผู้ปฏิบัติธรรมทองพระแม่ชีแล้วก็โยมนะก็ทําเกว่าพวกเราได้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าแล้วก็ส่งเสริมธรรมะไปด้วยในตัวเพราะนั้น น, ะนายใช้ที่สุด น, นี้ก็ขออ้างอิงคุณภรศิลธณะไกรอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันนสุขาพร ะ, ะเปเป็นพร ะ, ะปัจัย ในการทำความเพให้ถึงพร้อมสำเร็จประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ทั้นในงอกงามทั้งทานศีลภาวนาขอให้มีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษสารมีพระนิพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเทอน